ธรรมเทศนาปฏิสังยุต์หมวดที่3มีสิกสขาบท11ข้างต้นว่าด้วยอาการของบุคคลดังนี้พึ่งทำศึกษาว่าเราจะไม่แสดงธรรมแก่บุคคลไม่ใช่ผู้เจ็บไข้ 1. มีร่มในมือ 2. มีไม้พลองในมือ 3. มีสัตราในมือ 4. มีอาวุธในมือ 5. สวมเข่งเท้า 6. สวมรองเท้า 7. ไปในยาน 8. อยู่บนที่นอน 9. นั่งรัดเขา่า 10. พันศีรษะ 11. คลุมศีรษะไม้พลองนั้นยาวขนาดหศอกสำหรับใช้ตีเป็นคู่กับไม้ตะบองหรือไม้สัน้นขนาดหนึ่งศอกอันสำหรับใช้ตีเหมือนกันแต่หาได้กล่าวไว้ในที่นี้ไม่ สตรากับอาวุธเป็นคู่กันต่างกันอย่างนี้สตรานั้นได้แก่เครื่องประหารมีคมเช่นดาบและหอกอาวุธนั้นได้แก่เครื่องยิงเช่นสอนและปืนคำว่ามีของเหล่านี้ในมือนั้นหมายเอาตลอดถึงผูกสอดของเหล่านี้อยู่ในตัวแต่ในอัธกถาท่านอนุ ญ, ญาตสตราวุฒ ที่สวมอยู่ในตัวแต่ไม่ได้กลุ่มข้อนี้น่าจะหมายเอาพวกทหารผู้ผูกสอดสตราวุธและพวกพลเมืองผู้พกสตราวุธอยู่กับตัวเช่นพวกมาลายูและพวกชวาวพกกฤีฑฉะนั้นการผูกสอดและพกสตราวุธเช่นนี้เป็นตามธรรมเนียมของพวกชอบรบชอบสู้ไม่ใช่แสดงความดุร้ายท่านผ่อนให้ก็ชอบอยู่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 ฉันคนสุภาพใช้สวมเขียงเท้าเข้าสมาคมนั้นๆตลอดถึงราชสมาคมกิริยาที่ไม่สวมเสียอีกกลับเป็นหมิ่นหรือเลวเพ่งความนี้แล้วควรอนุญาตเขียงเท้าที่สวมแล้วเป็นแสดงความสุภาพหรือความเคารพเว้นไว้แต่เขียงเท้ารองเท้าที่สำหรับสวมอยู่ที่บ้านที่เรือนสวมเข้าสมาคมเป็นดูหมิ่น ยานนั้นคงหมายเอาชนิดที่ใช้หามหรือใช้ลากอย่างไปคนเดียวถ้าเป็นชนิดใหญ่นั่งไปด้วยกันแสดงได้อยู่ผ้าโพกนั้นในบางประเทศเขาใช้กันเป็นพื้นเมืองเช่นแขกบางพวกและพวกพมา่าเป็นต้นเพ่งธรรมเนียมนี้กระมังพระอักฐกถาจารย์จึงจำกัดห้ามเฉพาะผู้โพกสีสัมิตรไม่เห็นปลายผมจุบ แล้วว่าถ้าไม่พันจนมิดปลายผมจุกใช้ได้ในบัดนี้คนทั้งหลายใช้หมวกกันเป็นพื้นควรจะเทียบด้วยผ้าโพกเขาสวมหมวกแสดงความไม่เคารพใช้ไม่ได้ส่วนตามธรรมเนียมของเขาเช่นพวกทหารในสนามเห็นว่าใช้ได้ข้อ12ว่าพึงทำศึกษาว่าเรานั่งอยู่ที่เป็นดินจากไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เจ็บไข้ ผู้นั่งบนอาสนะข้อ 13. ว่าพึงทำศึกษาว่าเรานั่งบนอาสนะต่ำจากไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เจ็บไข้ผู้นั่งบนอาสนะสูงข้อ14ว่าพึงทำศึกษาว่าเรายืนอยู่จากไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เจ็บไข้ผู้นั่งอยู่ข้อ 15. ว่าพึงทำศึกษาว่าเราเดินไปข้างหลัง จากไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เจ็บไข้ผู้เดินไปข้างหน้าข้อ16ว่าพึ่งทำศึกษาว่าเราเดินไปนอกทางจากไม่แสดงธรรมแก่คนไม่เจ็บไข้ผู้ไปในทางธรรมเนียบภิกษุถืออิริยาบดยืนเป็นเคารพจึงห้าไม่ให้ยืนแสดงธรรมแก่ผู้นั่งยืนทั้งผู้แสดงทั้งผู้ฟังได้อยู่แม้ในอิริยาบดเสมอกัน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 แต่บางอย่างหรือโดยมากไม่เกี่ยวกับคนเจ็บเลยเช่นมีพลองหรือสตราวุธในมือน่าจะเห็นว่าบทว่าไม่เจ็บไข้เติมขึ้นทีหลังในเมื่อปลารบถึงประโยชน์พิเศษอันจะพึงให้แก่คนไข้เมื่อเติมเข้าไม่เติมทั้งหมดก็ลักลั่นครั้นเติมเข้าทั้งหมดก็เป็นอย่างนี้ตามความพอใจของข้าพเจ้า ไม่เติมเสียเลยดีกว่าในสิกขาบทใดคนไข้ควรได้รับประโยชน์พิเศษก็แก้ไว้ในอนาบัตวาระเมื่อไม่แก้ตามนี้จึงไม่มีอะไรจะแก้เก็บเอาข้อยกเว้นตามเคยมาแก้ดูเขลไปอันหนึ่งการห้ามแสดงธรรมแก่คนมีอาการไม่เคารพนั้นก็ด้วยความนับถือเชิดชูธรรมน่าจะเห็นว่า เป็นข้อที่พระสาวกตั้งมากกว่าพระสัสดาทรงตั้งเองนี้เป็นข้ออันหนึ่งซึ่งนักวินัยควรดมริในหมวดนี้มีปรับอาบัตทุกกฎแก่ผู้ไม่เ อ, อื้อเฟือคือล่วงตามเคย